ผู้ชี้บอกกลุมทรัพย์ให้พระพุทธภา ษ, ษ, ษิตผู้ฉลาดควรเห็นว่าคนที่ชี้โทษตักเตือนในเมื่อเห็นความผิดกล่าวปรามให้เว้นความชั่วเป็นผู้มีปัญญาดีนั้นเป็นเสมือนผู้บอกกลุ่มรัพย์ให้และควครคบบันลิตเช่นนั้นเพราะเมื่อคบอยู่มีแต่ทางดีไม่มีทางเสียเลยอธิบายความการตักเตือนผู้อื่นนั้นเป็นเรื่องยากคนเตือนจะต้องคิดแล้วคิดอีกหลายครั้งหลายตลบเพราะกลัวว่า เตือนไปแล้วเขาจะโกรธบ้างเหตุผลในการเตือนมีเพียงพอหรือไม่บ้างถ้าเขาเถียงมีเรื่องขุนข้องมองใจกันเกิดขึ้นควรจะทําอย่างไรบ้างเขาอาจด่าว่าใส่หน้ า, าว่าเที่ยวมัวเตือนคนอื่นอยู่ทําไมไม่เตือนตนเองบ้างเป็นต้นการเตือนคนอื่นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายผู้เตือนจะต้องเสี่ยงต่อหลายอย่างการตัดสินใจเตือนผู้อื่นเป็นความเสียสละอย่างหนึง่งที่กล่าวนี้หมายถึงผู้เตือนด้วยความหวังดีไม่ใช่ผู้มุ่งร้ายพระอัตถกถาจารย์กล่าวว่า ผู้ชี้โทษนั้นมีสองพวกคือผู้แสหาโทษคอยจ้องหาความผิดของผู้ผอื่นพวกหนึ่งคนพวกนี้ชอบตาหนิติเตียนหรือทักท้วงข้อบกพร่องของผู้อื่นท่ามกลางชุนมชนุษด้วยจุดประสงค์เพื่อให้เขาละอายพวกนี้ใช้ไม่ได้ส่วนอีกพวกหนึ่งคือท่านผู้หวังความเจริญแก่ผู้ถูกเตือนมีความเจริญด้วยศีลเป็นต้นมีความประสงค์จะอุ้มชูเพราะความเอ็นดูในเขาต้องการให้รู้สิ่งที่เป็นโทษ ดำเนินในสิ่งที่เป็นคุณพวกที่สองนี้ดีเมื่อเตือนใครคนนั้นไม่ควรโกรธควรทําความรู้สึกในท่านผู้นั้นว่าเหมือนผู้บอกกลุ่มทราบให้สําหรับภิกษุควรปรณาคือเปิดโอกาสให้ตักเตือนว่าท่านอยู่ในฐานะอุปชัยยะอาจารย์ของกระผมเป็นความดีอันยิ่งใหญ่ที่กรุณาเตือนกระผมต่อไปขอท่านเด็ดโปรดเตือนกระผมอีกเมื่อกระผมได้กระทําสิ่งใดอันไม่เหมาะไม่ควร ดังนี้เป็นต้นข้อว่า ก, กล่าวปรามนั้นคือเมื่อเห็นโทษแม้เพียงเล็กน้อยก็รีบบอกให้รู้บังคับให้เลิกการกระทําเช่นนั้นเสียอาจารย์หรืออุปชาบางพวกบางคนเห็นข้อบกพร่องของศิษย์แล้วไม่กล้าพูดด้วยเกรงว่าจะเสื่อมจากความรักความนับถือของศิษย์เธอจะเลิกเธอจะเลิอกอุปถากปรนิบัติเสียการกระทําดังนี้ถ่าว่าเป็นการเกลี่ยหรือเรี่รยไรอยากเยื่อลงในาศาสนาส่วนอาจารย์หรืออุปชาญที่ดีนั้น เมื่อเห็นข้อบกพร่องของสิทธิ์แล้วจะต้องลงธนกรรมคือลงโทษหรือกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งอันสมควรแก่โทษดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์เราจะกล่าวคมเราจะกล่าวคมเราจะกล่าวยกย่องเราจะกล่าวยกย่องผู้ใดเข้มแข็งมีสาระในาศาสนาก็จะอยู่ได้ดังนี้เป็นครูบาอาจารย์ของเขานั้นต้องตักเตือนเป็นสั่งสอนเป็น ครูอาจารย์ที่ศิจรักษ์ในบ้านปลายก็คือครูอาจารย์ที่มันสั่งสอนวิชาอบรมให้เป็นคนดีปลูกฝังให้เป็นคนมีอุดมคติมีหลักใจส่วนครูอาจารย์ที่ปล่อยปละละเลยสิทธิอารเห็นเป็นทางสบายในเบื้องต้นแต่ก็จะโดมินในเบื้องปลายถึงจะมีความเคารพนับถือก็ไม่เนนแฟน้นเพียงสักแต่ว่าแสดงความเคารพนับถือพอเป็นพิธีเพียงเพื่อไม่ให้คนทั้งหลายกล่าวได้ว่าไม่เคารพนับถือครูบาอาจารย์ทีนี้กล่าวในระหว่างมิสหาย สหายที่หวังดีต่อการต้องตักเตือนกันคนฉลาดย่อมเห็นมิตรพูดเตือนตนเป็นมิตรแท้ส่วนคนโง่ทำตนให้ใครเตือนไม่ได้ในที่สุดก็หามิตรดีไม่ได้จะได้ก็แต่มิตรบอกลอกมิตรหัวประจบมิตรชักชวนในทางชิดหายพ่อแม่ก็เหมือนกันเมื่อรักลูกก็ต้องมันตักเตือนอบรมสัง่งสอนปลูกฝังและลงโทษตามควรแก่โทษไม่ใช่ลูกคนไหนเป็นที่รักมากแล้วทำอะไรถูกไปหมดกลายเป็นคนกลัวลูกถ้าอย่างนี้อีกหน่อยลูกก็จะเป็นโจรเป็นคนพานเกเร คนที่ต้องเสียใจภายหลังก็คือพ่อแม่นั่นเองการอบรมลูกให้ดีแม้จะเหน็ดเหนื่อยลำบากบ้างในเบื้องต้นแต่ก็มีผลอันน่าชื่นใจเป็นอันมากในบ้านปลายกล่าวถึงผู้ตักเตือนเมื่อรู้ถึงความหวังดีของผู้เตือนแล้วก็ควรรับคำเตือนด้วยความเคารพให้ความหวังแก่ผู้เตือนว่าคำตักเตือนสั่งสอนของท่านจะไม่เป็นหนือนเสียทีเดียวอย่างน้อยผู้ถูกเตือนก็นำไปปฏิบัติตามบ้างหรืออย่างน้อยที่สุดก็พยายามเพื่อปฏิบัติเช่นนั้นอย่างนี้ท่านเรียกว่าผู้ว่างง่ายสอนง่าย ควาเป็นคนสอนง่ายนั้นเป็นสเสน่ห์เป็นทางผูกมิตรเป็นกุญแจสําคัญไขไปสู่ความดีงามต่างๆอีกมากมายหลายหลกักเป็นที่ยกย่องของบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นดังเช่นพระราธะเถระมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้พระราธะเกิดในสกุพลพราหมณ์เมื่อเป็นเครือขัดได้เป็นผู้ตกยากในยามชราจึงไปอาศัยภิกษุทั้งหลายอยู่ในวัดเชตวันมึงสาวัตถีช่วยดาย่าวัดกวาดบริเวณวัด และถวายน้ําล้างหน้าล้างมือล้างเท้าเป็นต้นแก่ภิกษุทั้งหลายพราหมณ์ราธะอยากบวชละเกินแต่ภิกษุทั้งหลายไม่ยอมให้บวช ด, ด้วยเห็นว่าแก่แล้วพราหม์นั่นสู้ผอมลงมากเพราะความผิดหวังในการบวชวันหนึ่งพระสัสดาทรงตรวจดูอุปนิสัยของสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยแห่งพระรหัสของราธราหมณ์จึงเสด็จไปยังที่ที่พราหมณ์กวาดลานวัดอยู่ตรัสถามว่าได้รับการสงเคราะห์อะไรจากภิกษุทั้งหลายบ้าง พรามกราบทูลว่าได้อาหารพออย่างชีพได้อาศัยหลับนอนสิ่งที่เขาต้องการที่สุดคือการบวชแต่พิษสูตรทั้งหลายไม่ยอมให้บวชพระศ า, ศาสดาทรงปรารบเรื่องราธพราหมณ์นี้รับสั่งให้ประชุมสง์ตรัสถามว่าใครระลึกถึงอุปการะของพราหม์ได้บ้างพระสารีบุตรกราบทูลว่าท่านระลึกได้คือคราวหนึ่งท่านบิณฑบาตอยู่ในกรุงราชคลึกพราหมณ์ราธะได้ถวายอาหารท่านทัพพีหนึ่ง พระศาสดาตรัสว่าสารีบุตรเธอช่วยเปลื้องทุกของพรามผู้เคยมีอุปการะนี้มีควรหรือได้พระเจ้าข้าพระสารีบุตรทูลข้าพระองค์จักให้พรานนีบ้บวชเมื่อพระราธะบวชแล้วก็ลำบากด้วยอาหารการครบฉันเพราะเป็นพระใหม่บวชภายแก่พระสารีบุตรจึงพาพระราธะจาริกไปในที่ต่างๆ พรามสอนอบรมตักเตือนอยู่เนืองๆว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำพระราธะเป็นพระแก่ที่ว่างง่ายรับโอวาดด้วยความเคารพปฏิบัติตามโอวาดของพระสารีบุตรอยู่ไม่นานนักก็ได้สําเร็จอรหั t h a พระสารีบุตรนําพระราธะกลับมาสู่สํานักของพระศาสดาที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีพระศาสดาตรัสถามว่าสิทธิของเธอเป็นผู้ว่างง่ายหรือไม่ว่างง่ายเหลือเกินพระเจ้าข่าพระสารีบุตรทูล เมื่อข้าพระพุทธเจ้าเห็นความผิดบกพร่องลายๆแล้วกล่าวสอนอยู่พระราธะไม่เคยโกรธเลยสารีบุตรหากเธอได้สัิวิหารึกอย่างนี้จะรับได้สักเท่าใดรับได้มากมายทีเดียวพระเจ้าค่าวันหนึ่งภิสูุทั้งหลายประชุมสนทนากันที่ธรรมสภาว่าพระสารีบุตรเถระเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีระลึกถึงอุปการะของพราหมณ์ แม้เคยถวายอาหารเพียงทับทีเดียวเป็นอุปช่ายให้พราหมณ์ตกยากบวชแล้วนับว่าได้ทํากิจที่บุคคลอื่นทําได้ยากฝ่ายพระราชาก็เป็นผู้ว่า ง, ง่ายอดทนต่อโอวาดได้ท่านผู้ควรแก่การสั่งสอนเหมือนกันขอแทรกไว้ตอนนี้หน่อยหนึ่งว่าธรรมดาบุคคลผู้มีความกตันยูกตะเวทีย่อมระลึกอยู่เสมอซึ่งอุปการะที่ผู้อื่นกระทําเกีตตนแม้เพียงเล็กน้อยคอยหาโอกาสตอบแทนความดีของผู้อื่นฝังจิตฝังใจของตนอยู่ตลอดเวลา ตรงกันข้ามกับคนผู้ไม่มีความกตันยูกระตะเวทีใครทําคุณให้คุณนั้นก็ปรากฏเพียงชั่วคราวเหมือนรอยขีดลงในน้ําคนมีความกตันยูย่อมไม่ถือเอาข้อบกพร่องเล็กน้อยของผู้มีคุณมาลบล้างคุณความดีส่วนใหญ่ทํานองเอาใบบัวปิดทองฟ้าแม้ใบบัวนั้นอาจปิดตาของตนนี้ให้เห็นทองฟ้าได้แต่ทองฟ้าย่อมปรากฏแก่คนทั่วไปอยู่คนกตันยูมีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมส่วนคนอกตันยูมีแต่ความเสื่อมไม่มีความเจริญ พระศาสดาทรงทราบข้อที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วตรัสว่าไม่เพียงแต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในกาลก่อนพระสารีบุตรก็เป็นผู้มีความกระตันยูกระตะเวทีเหมือนกันตรัสเล่าเรื่องช้างเชือกหนึ่งถูกต่อไม้แหลมตันเท้าเดินไปไหนไม่ได้พวกช่างไม้กลุ่มหนึ่งไปพบเข้าในป่าช่วยกันถอนต่อไม้แหลมนั้นออกจากเท้า น, น, นำยาสมุนไพรามาพอกให้ช้างนั้นหายโรคแล้วระลึกถึงอุปการะของพวกช่างไม้ได้ นำลูกช้างผึกเชือกหนึ่งมาให้เป็นเครื่องตอบแทนพระศาสดาทรงปราบรภาษาลิบุตรตรรัสเรื่องช้างนั้นแล้วทรงปราบพระราธะตรัสเรื่องความเป็นผู้วา ง, ง่ายต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาภิกษุควรเป็นผู้ว่า ง, ง่ายเหมือนพระราธะเมื่ออาจารย์ชี้โทษกล่าวสอนอยู่ก็ไม่ควรโกรธพึงมองเห็นบุคคลผู้ตักเตือนสั่งสอนเสมือนเป็นผู้บอกขุมทรัพย์ให้ดังนี้แล้วตรัสพระภาษิตว่าผู้ฉลาดควรเห็นว่า คนที่ชี้โทษตักเตือนในเมื่อเห็นความผิดกล่าวปรามให้เว้นความชั่วเป็นผู้มีปัญญาดีนั้นเป็นเสมือนผู้บอกกลุ่มซัพย์ให้และควรครบบัณฑิตเช่นนั้นเพราะเมื่อคบอยู่มีแต่ทางดีไม่มีทางเสียเลยนายต่างๆได้อธิบายมาแล้วแต่ต้นขอเพิ่มเติมในตอนนี้เกี่ยวกับผลดีของการครบบัณฑิตและผลเสียในการครบคนพาลอีกเล็กน้อยว่าคนฉลาดมีอัธยาศัยเป็นบัณฑิตย่อมพอใจคบบัณฑิต คนโง่มีอัธยาศัยเป็นคนผ่านย่อมพอใจคบคนผ่านเสมือนมแมลงวันพอใจในของโสโครกแมลงพึ่งมแมลงผู้แล ะ, มะแมลงผีเสือ้อพอใจในของสะอาดการที่บุคคลจะคบสนิทกับผู้ใดย่อมแสดงว่ามีอธิมุติหรืออัธยาศัยส่วนลึกไปกันได้มิฉะนั้นจะคบกันไม่ได้นานผู้ฉลาดเมื่อได้บัณฑิตเป็นมิตรเป็นสหายเป็นที่พึ่งพิงแล้วก็ควรรู้ระวังรักษาถนอมมิตรเช่นนั้นไว้ตลอดชีวิต